ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل رحمي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين و ص ل ي و س ل م على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته โลกนี้เป็นโลกแห่งกันแข่งขันทุกอย่างแข่งขันทำความดีแข่งขันหมายถึงว่าต่างคนดังอยากทำความดีมากกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องดีหากคนเนี่ยทำความดี ไม่ปรารถนาที่จะให้คนอื่นที่กำลังทำความดีนั้นให้หยุดทำความดีไปหรือให้ทำความดีน้อยไปเพราะอันนี้มันเป็นสัญญาณว่าเขากำลังทำไม่ดีอือเห็นกำลังเรียรายสร้างมั่สิทธิ์คนหนึ่งเขาอยากจะบริจาคมากที่สุด ฉันบริจาคล้านหนึ่งมัตสึต้องการสามล้านอย่างเงี้ยคอบริจาคมากที่สุดแล้วก็ไม่อยากให้ใคบริจาคละอาทิ น, นี้มัตสึก็ร้างไม่ได้เี่ยไม่รู้ละฉันอยากจะทําความดีคนเดียวแต่คนเดียวความดีมันจะมาสําเร็จไงไม่รู้ละฉันเนี่ยทําความดีคนเดียวอันนี้เป็นสัญญาณว่าเขากําลังไม่ไดีทําความดีนะ ฉะนั้นสั ญ, ญลักษณ์ของการแข่งขันทำความดีว่าทุกคนที่ทความดีในปรา <c oughs> รถนาที่จะให้คนอื่นทำความดีด้วยโดยมีหลักการสองประการที่กาชับเรื่องนี้หรือประกอบด้วยทา่ารอ่านละะดีษที่ท่านบซลลัลลอฮะลิัลัมาว่าส um ูสู่เจ้าจงแข่งขันกันสู่ความอภัยโทษสู่สวนสวรรค์ จะลดเตรียมไว้แข่งขันกันนี่หมายที่ว่าใครทาความดีมากกว่าใช่ไหมและอัลฮัซันลดเรีว่าอินิสตวาดแต่เอนสบิกก์กับอิลจันนต์์ยาหาดรถ้าเจ้าสามารถอยาให้ใครเข้าสวรรค์ก่อนเจ้าได้ก็จงทาคือพยายามให้อยู่ในแนวหน้าุอานก็บอกว่าซาบินซาบินไลกัลมุรบน คนที่อยู่ในแนวหน้าก็คือคนที่แข่งขันกันคนที่พยายามอยู่ในแนวหน้าคนที่แข่งขันกันอุลัยกชนเหล่านั้น m u q a a n คือคนชนที่จยุ่กิุกับอัลลฮ ه ลการที่2ท่านเบบีซอลลัลลอฮุซายด์ซุลแลมได้บอกว่าไยมิอฮดุุมัยุอฮมยุบนัิร คนหนึ่งคนในในหมู่บ้นจะไม่ศรัทธาหรือจะศรัทธายัางไม่สมบูรณ์จนกว่าจะให้หัวใจของเราเนี่ยชอบรักที่จะให้พี่น้องของเราได้ในสิ่งที่เราอยากได้เราอยากได้อะไรเราอยากได้สวรรค์ถ้ามีน้องเขาอยากได้สวรรค์เราดีใจให้แทนเขาเราอยากทำบุญเราจะบริจาคให้มนซิดเราก็ปที่ไหนที่ใจพี่น้องคนอื่นเนี่ย ทำความดีและบริจาคโอ้จะคนอื่นคนนั้นเราบาฉันจะดีใจมั้มันต้องมีนี้ด้วยจะได้ถือว่าศรัทธาในวันุจะได้ถือว่าความศรัทธาพลังศรัทธาที่ทําให้เราบริจาคนั้นเป็นพลังศรัทธาที่สมดุลไม่ใช่แบบศรัทธาที่บกพร่องแต่แนหนอการแข่งขันในเรื่องความชั่วในศาสนาไม่ไม่น้อยู่แล้ว จัดประกวดแข่งกันใครดื่มเหล้ามากกว่าใครจะดื่มเรามา่เคยเห็นคลิปอันหนึ่งก็ก็ไอคนที่แข่งกันเนะ่ยใส่ขวดเหล้านึ่ใส่ปากหลายขวดทีเดียวนั่นก็ดื่มรางวัลอะไรอะ่ะขวดเหล้าเอาแข่งขันกันใน ก, นการนำความช่วยในศาสนาอันนี้ประนามอยู่แล้วด้วยเหตุผลนี้ในบันทึกของอิมามอามมับดุลฮะจามีวิ นบีซาบัดะนะวะน้ารสนุ้ยซลละละซัลละบข่นทั่งท่มันท่ารียีนบีห้ามกินอาหารคนที่แข่งขันกันอู้อวดตัดเลยโตจนพันโตตัดเลยพน้ในจนี่แหละครับอัมุตบรยนคือคนที่แข่งขันกันอู้อวดเรื่องอะไรเรื่องอาหาร ฉันเลี้ยงมากกว่าในทรรมดงนี้นะ่ะไอ้ที่เขาทำบุญคนาดนี่แหละและนี่เหตุผลดังด้งเดิมที่ท่านนบีห้ามไม่ให้ทำบุญคนาดเพราะมันเป็นการโอ้อวดพอตกอนนุ่นนะ่ะปกติลน้นเลี้ยงเชิมคนมาวลีมาหนีเลี้ยงหนึ่งงานนี้ก้างานอะไรต่างๆแต่พวกจาฮิเลียเนี่ยแข่งขันกันในเรื่อง ในเรื่องที่มีชีวิตชีวาจนไม่รู้จะแข่งกันได้ไเลยไปแข่งขันกันในเรื่องความตายคือไม่รู้จะแข่งกันอะไรไปถึงกูโบเลยนี่ที่ไปที่มาของอญญายาถอัลห้ากุมตตะสุรการแข่งขันโอ้อวดความมากมายทำให้วกเจ้านี่ลงมตัวไปฮัตตาสุรตมุลมากวบิรจนกระทั่งวกเจ้านี่ จนไปเยี่ยมคือแข่งขันกันสร้างบ้านแข่งแข่งขันกันเลี้ยงอะเลี้ยงกดแข่งขันกันไปเรื่อยๆนี่คือไปจนไปถึงกูโบอาจจะแข่งอะไรอ่ะนี่มี่คนตายอ่ะฮะแข่งสองอย่างพวกเยริเลียเรื่องคนตายเนี่ยแข่งกันสองอย่างหนึ่งแข่งกันอ้วกว่าปยาตายายฉันคนนี้เป็นอย่างโู้นคนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเคยทําแบบนี้อันนี้ อวดของที่เขาทําอยู่นี่นะไม่พอนะี่ยยังจะมาอวดของคนตายไปแคนตายไปแล้วก็ทําไปแล้วเนี่เอามาโอ้อวดดูดิความที่ไม่รูปแบบโลกสองแข่งขันกันเลี้ยงทําบุญคนตายคนตายนี่ยร่มมัวคนหนึ่งเนะี่ยสองตัวเลยคนนี้แจกใบแดงคนนู่นแจกเขาจแจกใบแดง น้ำใบม่วงเดยวเดยวเปลี่ยนหมดแล้วเดวเปลี่ยนหม ด, ดมเดเปลี่ยนหมดใบแดงใบม่วงใบสีน้ำตาลดเปลี่ยนทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงหมดแข่งแข่งกันในการทำความช่วนี้จะสำเรไหไอ้อัสส น, ออนุญาตะ ถึงแม้ว่าจะมีฉากบางหน้าว่าเป็นความดีนเนี้ยแข่งขันกันเรื่องอาหารใครเลี้ยงมากกว่าในถนงนี้แหละแข่งกันเลี้ยงฟังให้ดีนะเขาอยู่อยู่ในช่วงเทศากาลเลือกตั้งแข่งกันเลี้ยงซื้อเสียงจะมาซื้อเสียงมาสิดนี่อิหม่ามครับ ผมขอบางอาจเลี้ยงสบุรุตของมกษิตอิหมั่มขโมกสักส า, ามถังในอิหมั่มหลังอิหมั่มคุฏบัสิถลเนี่ผมขอ5นาทีได้ไหมกี่ดังนะสามถังในอิห ม, มั่มเฮ้ยบังอินบังอินแล้กันนะสมุดสมุดเนมสมุดบังอินนะ่ะก็เลี้ยงสีอ่ะผมหาแล้วกันในะอิห ม, มั่ม จัอินมันเลียงอะไรล่ะแต่อิมามรู้แนรู้ว่าว่าช่วนี้มันช่วงหาเสียงกันไงและอีสามถังนี่มันไม่พอราี้ยสุูนู่นซถังเอาหาถังเลารีเอียงห้าถังนี่บางอินขอเขาเลี้ยงผลไม้อย่างเดียวเองอัเราสอย่างพอเลี้ยงเสร็จแล้วเอาพี่น้อง นี่บางอานะนุ่งบางอนีนี่บางอานะน้ำสมมตินี่บางอาเนี่ยเขามาหาเรานาเป็นคนดีเป็นลูกหลานของเรานาเราช่วยกันนาช่วยกันนา <c oughs> เหมือนใกล้เคียงเราช่วยกันนาะ การูรว่าเป็นการเลี้ยงขคนนักการเมือยงนะฮะท่านนะนะฮะอันตําหน่มุตบารีย์นห้ามกินอาหารคนที่แข่งขันกันนละี่ไม่ได้บอกแข่งขันกันเรื่องอะไรก็ทุกเรื่องที่แข่งขันกันอะแข่งขันกันโอ้อวดเรื่องอาหารแข่งขันกันใครเลี้ยงอาหารอร่อยกว่าแข่งขันกันใครซื้อเสียงมากกว่าแข่งขันกันหมดเลยในห้ามกินแล้วในสังคมนี่มีจุดยืนแค่จุดยืนนิดหนึ่งอะกูไม่กินรอก อาหารคนนี่มาแข่งกันมา อ, อ้ออวดผู้ไม่กินเรากู้มีสักดีทำบุญก็ทำบุญไปดิแค่มีจุดดีอย่างนี้นะพวกนี้เนี่ยไม่จะไม่สะดุดดูถูกประชาชนซื้อเสียงด้วยเข้าหมก 3-4 มสถังมันเกินไปอะ่ะมี3ดาถังกันนะ คือดูถูกเกินปนะปัจจุบันนี้เสียเสียงแขกันนะเ ส, สียงมุสลิมมาเนะขาว่าแพงกว่าเสียงประชาชนตัวไปวนี่อิหม่ามเนี่ยเขาเสียเสียงอิหม่ามศเลือกตัง้งเลือกตังก้งคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเพราะคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเนี่ยเลือก<ม>โดยอิหม่าม เสียงอีมามบางจังหวัดนีแตะครับ60มื่นโลนะเท่ากับคณะกรรมการกลางอิสลามเห็นไปิดใจตอเลือกจุฬาบาชษัมบดีเมื่อ10ปีที่ผ่านไปแล้วแต่ก่อนต้องแค่60หมื่นรีจจนนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวนไม่ได้แล้รีเจนนี่ไมไปทำไมจะโรงแรมหาดาวละก็ทำไมใช้มิโอสละก็ ตั ด, ดตัดเป็นกันอย่างนี้ล่ะถ้าเก็บไว้ไหนเพราอเด๋วช่วงสองสัปดาห์นี้จะมีมีรายการเฉพาะเรื่องเนี้ยโลกนี้ก็อยู่นี่มีอะไรในโลกเนี้ยไม่กีก่เรื่องแข่งขันไปดูนี่อุโรปชวโรมพวกเนี้ยฮะ ยีหอนี bear, sh ira, sh ira, ้กับแข่งกับยีหอนูนหอยีหอนี้ยังไงดูไอ้พวกวินพวกมอเตอร์ไซค์พวกแหวนพวกชีวิตคยไงชีวิตชีวิตขู่เข็มนี่นะอยู่ตอนไปจอดไฟแดงนั่นแหละพอไปเขียวแล้วเออพูดจริงดูพวกนี้ดูพวก หงี้เปลี่ยนคันเลยทันดไไงอ่ะมั น, ม, น, ม, นมันบทีเดียวขึ้นไม่ไงกูอีกวันหนึ่งเปลี่ยนแล้วอ่าก็อยู่สมุกกับเครื่องหมายนี้สักอาทิตย์นึงมาติดไฟแดงเจอรุ่นนี้มันเอน็นดันว่ามีตังแล้วก็ขายที่แล้วไงแล้วก็นุ่นแขกเราอย่างนี้แหละรุ่ดก็เหมือนกันใช่รุ่ดก็เหมือนกัน ที่เราใช้กันนะกริยาที่เราใช้กันนะคนนี้ขับรถคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์แล้วเดีนี้คนใช้กันไหมไม่เขาใช้อะไรคนนี้เล่นรถคนนี้เล่นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมไม่ว่าอะไรอย่าเล่นรถรถเขาเอามาเล่นเหรอมันของเล่นเด็กเหรอมันเล่นทุกอย่างให้มันรู้ว่าคนอื่นเด่นกว่าคนอื่นยอดกว่าคนอื่น是 แข่งกันใน่งสวยกว่าจนไม่รู้จะไปถึงไหนพอมาถึงจุดที่มันบอดอะแข่งกันว่าใครปรหลาดกว่าต่ก็นุึงแข่งกันเราเออใครแต่งตัวหลอกกว่าสวยกว่าเดี๋ยวนี้ม่เลยแข่งกันใครประหลาดกว่าแต่อก็แต่งตัวประหลาดกว่าต่ก็มึงใส่เสื้อเนี่ยโอ้โหเราอายอายถ้าใส่เสื้อกลับกลับด้านนอะ ยี่ห้อมันผูก ม, มันรู้อายอพผนี้เงอรี่ไปจนไม่รู้ใจไม่ครับเดี๋ยวนี้เป็นแฟชั่นเลยครับใส่เสือ้อยี่ห้อมันผูกนั่นน่ะเขาหากันนะต่อกรณ์นี้เราใส่กเก่งๆนะขาตู้มารู้ อ, อ, อายอายกลับบ้านนีบ้านีไฟไหมเลยปุ๊บปุไม่แล้วครับเดี๋ยวนี้ก่งออกไปไหนกเกงไหนไม่ขาดนี่โดนด่แาแ้แข่งขันจะไม่ได้ เประหลาดแต่ก็แข่งขันกันใครทาแป้งอ่ ะ, อ, ะออกบาร์หูทาแป้งขาวจั่วเลยแต่นี้ไม่แล้วครับแข่งขันมันใครเจาะหูมากกว่าเจาะกระทะเจาะแข่งกันนี่เรื่อะไรแข่งกันเจาะมากกว่าแข่งกันเงินใครทาทาตอนนี้แข่งกันใครมีสักมากกว่าสักประหลาดสัก แตก่อนเขาใชมุกสักขาวดำไม่เดี๋ยวนี้ใช้สักสีทุกคนต้องมีสักสีแต่ก่อนเขาใจมุกเนี่ยผมไม่ได้มีสักสีมีอะไรอ่ะมีสักขาวดำไม่ละครับเขามีสักสีกันหมดแล้วครับทุกอย่างเนี้เป็นเรื่องแข่งขันแต่เรื่องแข่งขันกัน ในการแสวงหาสัจธรรมและความจริงและความรู้อันนี้เนี่ยน้อยในลูกการแข่งขันที่มันตามมาด้วยการท้าทายอะ่ะในตัวแข่งกับคนอื่นนึกท้าทายเขา การแข่งขันในเรื่องความดีไม่มีการท้าทายในเรื่องความดีในเรื่องความจริงในเรื่องศัจธรรมใ น, นเรื่องอื่น ม, มีทำให้คนไม่มีความปรารถนา <c oughs> นี่ชาวพิงมานี่เลยนี่เยอะแยะเลยชาวพิง จริงเนี่ยไม่น่าไม่นาทำไมเขามาตั้งอะไรสัก่างทำให้คนไม่มีความปรารถนาไม่มีความอยากที่จะแข่งขันแข่งขันกันในเรื่องความรู้ เด็กวัรุ่นเนี่ยเปิดทีวีฮะดูข่าวนี่กัต้าเขาซื้อนักเตะบอลนี่มักี่พันล้านนะกี่พันล้านกันไม่รู้เพิ่มพิข่าวพิข่าวพี่มาไปดูดิข่าวเงินเดือนคนที่เรียนวิทย์คนที่จบฟิสิกส์คนที่จบเคมีจบหมอ สตาร์ทงเงินเดือนขย่เงิอ่ะนะสตาร์ทเงินเดืเจ็ดหม่นเหมือนบก็ไม่รู้เยอะไหมบ้ามีบ่าสตาร์ทเจ็มี้ามีใช่มีแต่สตาร์ทจริงจรงเหมือนี่ไม่ใช่ราชการน ะ, ร ะ, ะนในนช่ปะนรกระชอนแต่เขาเทียบแล้ว <c oughs> ซื้อเขาเนี่ยเป็นพันล้าน แต่เงินเดือนนักต่บอลตัวนี้นะ่ะเงินเดือนแต่ละสโสนี่นะ่ะไม่ต่ำกว่าแสนบนล่ะแสนบนล่ะกี่ล้านสาล้านห้สมล้าน 3.5 สามลนหต่อเดือนวัยรุ่นในพอดูเอาฉันเรียนหมอนะ่ะ ไอ้ที่พอ่อฉันนันก็ทดีบูกะกต้เป็นหมอกต้องเป็นหมอีอ่อก็เรียนเรียนสุดท้ายมั่งเงินเบี้นแสนหนึ่งอะแบบเจ๋วๆเลยเนะ่ยหมอที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรงพยาบาลที่แพงที่สุดในกรุงเทพมหานครเนี่ยในประเทศไทยน่นะอยู่แถวสุขมุมวิทนี่นะเงินเบือนสักห้า0สนหกแสนคือนั่นอายุห้าสิบอัพแล้วนะหมายถึงว่าเขาต้องแบบยแล้ว แต่ยังรุ่นเด็กคนซีมาอยู่ยังี่สบห้าเนเดือนสามสี่ 25, ล้านละโอ้ยมึงต้องคิดยางไงะเขาชีวิตฉันนี่นะฝึกแข่งขันตะบอลน่นนะแลวได้อย่างน้อยนเงินเดือนฉันเป็นแสนน่มันต้องเรียนหมอไมตอ่ต้องอัดต้งเสื้อใช่ไหแ่ดาฉันเป็นคนที่เป็นคนหลอ่อมันก็ได้ฉันเสริมทักษะไหนแสดงเก่งพูดเก่งอะไรนิดนึงอะนะ ก็เป็นดาราแล้เงินเบือนไม่ต้งเงินเบือนทําหนังทีหนึงได้เป็นสิบสิบล้านอ่ะยิ่งจะเป็นคนที่อลัลละฮฺให้นะผู้หญิงที่มีความสวยงามหน่อยสวยกว่าคนอื่นหน่อยนะแล้วก็มีพวกไอพวกไอไอไอที่ให้เดินเป็นนางแบบอะไรเนี่ยมามาจีบบอกเออมามาทํานี่มาเป็นโมเดลของนะได้เท่าไหร่น่ย ใครจะมาชวนานางจะได้คงียาบจะได้ปกปิดเอาร่างจะได้เป็นคนดีของอัลลอฮ์จะได้เป็นคนบริสุทธิ์เราจะได้อะไรอย่างทีสวรรค์เอื่องแล้าบอกว่าออกปกทีนั่นเน่ยได้สองแสนนี่คันแข็งขันแบบนี้นะมันบรรเทามาตรฐานความดีในส่วนข ม, มนุษย์อย่างแน่นอน และที่เราเห็นกันนี่เพราะอะไรเพราะนายทุนในคนไม่มีสดังทุ่มในเรื่องอะไรในเรื่องที่มันไร่สาระแต่เขาทุ่มกันไหม <c oughs> ในเรื่องในเรื่องความดีในเรื่องในเรื่องที่มีสาระที่มีประโยชน์ส่วนรวมมีไหมไม่มีอะ <c oughs> หากสุดท้ายตำแหน่งถูกซื้อด้วยสดง ใครจะเป็นผู้ว่าจะเป็นผู้กำกับจะเป็นจะเป็นผู้การจะเป็นอะไรสำคัญสำคัญในดินนะต้องจ่ายต้องซื้อเสียงต้องแสดงความสามารถส่วนตัวทักษะส่วนตัวมันไม่มีประโยชน์เสียเวลาแต่มันคนเขาจะคิดอย่างนี้ได้ไม่ใช่หรอ ประกวว่าเรื่องนี้มันมีอยไหนแต่ไหนแล้วคุณอ่านว่าปฏิวัติปฏิวัติแต่สิ่งที่คุณอ่านมาสอนเราอะนะว่าเราอย่ายอมให้การแข่งขันการประกวดในเรื่องความช่วยในเรื่องแร่สาระเนี่ย อย่าให้มันมีอิทธิพลเราจะต้องแข่งขันกันในเรื่องความดีและยืนหยัดในความถูกต้องและวิสูดให้คนอื่นเห็นด้วยว่าสิ่งที่ทำให้สังคมเจริญทำให้ความดีมีอา น, นาจมีอิทธิพลเนี่ยคือการยืนหยัดการต่อสู้การแข่งขันกับของของคนดีนี่แหละ อ่านมันก็อย่าไปท้ออย่าอยาไปยอมแพ้มันน่ะแข่งขันกันในเรื่องความชั่วเราก็จะไปถือหางกันนะไปไปตามกระแสขานยานะโดยเด็ดขาดนะเธอเขามีตังเขามีนี่มันก็อย่าอย่าไปหลงตามนี่สิสิ่งนี้เราทำมั น, ม, ม, น ม, มันมีคุณค่าในตัวมันแล้วเราต้องให้คนเนี่ยเห็นคุณค่าเห็นราคาคนกําลังมองถึงราคาสตุงต้งสตางใช่ เราให้คนเนี่ยมองว่าสดงเนี่ยมันไม่มีค่าคุณค่านี่มันอยู่ในความดีที่เรากาลังแข่งขันทำกันอยู่ทำยังไงห้ถึงจุดนี้นี่มันเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดการเล่าเวลานี่มันมีส่วนในการที่จะให้คนพิสูจนนะให้คนพิสูจนว่าเอาแม่มาเลี้ยงลูก เอานมเทียมมาเลี้ยงลูกไม่เท่ากับให้แม่เนี่ยเลี้ยงลูกเองให้นมแต่ลูกเองแต่ก่อนนั้นเขาเขาโอ้อวดกันไงคนรวยเลนะเขาโอ้อวดกันว่าผู้หญิงผู้ดีเนี่ยเขาไม่เลี้ยงเด็กหล้วเขาจะมีมีนส์นสผู้มีนส์นสที่ทำทุกอย่างจะเป็นแม่นมจะเป็นคนที่เป็น พนันงานดูแลเด็กในบ้านเด็กจะเล่นเอาหนภาสปหยุไปเล่นเด็กจะเอือุนาพแล้วก็เธอละมารดาละเป็ น, นผู้ดีไม่แต่แต่ตอนนี้เขาวดกันเดี๋ยวนี้นะคนรวยมากคนรวยนะไ ม, ม่ยอมถ้าคนรวยรู้ก็ศึกษาแล้วพวกคนผ่านเวลาแล้วมีพิสูนแล้วหลายยุคหลายสมัยอย็่ว่าเรี่แบบนี้นะเรียแบบนี้มันหายนะัไปตะกูแล้ว หลาเลยนะไปหลายยุคหลายสมัยเลยเดี๋ยวมีผู้ดีเนี่ยไม่เลยต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวเองให้นมด้วยตัวเองแล้วก็รู้สึกภูมิใจด้วยมันพัฒนานะสังคมนี่พอมันพัฒนาตัวเองเนี่ยคุณค่าดั้งแต่ของความดีเนี่ยมันก็จะกลับมาสู่สังคมอีกที ก่อนโ น, นมีที่ไหนอ่ะกระิย์ลงไปดูชาวบ้านชาวนาชาวไร่เขาปลูกอะไรเขาจะทําอะไรแล้วมานั่งคิดเคราะให้เขาเอาปลูกโน้นมีกริย์ที่ไหนอะเคยมีที่ไหนในประวัตาสตร์และสุดท้ายยังไงเขาเห็นไหมว่ากระสับหรือปมนุกหรือผูดนําที่ไหนนี่ที่ขังตัวอยู่ในวังอะนันประชาชนนี้เขาไม่ได้ แต่ในยุคแต่ละสมัยนี้ก่อนนี้จะมีสื่อสารมลชนันะก็มัยอกมาจากรัตน์นี่เดนนี่นีม่รู้จักไม่รู้จักถ้ามันปียะปยุคนี้เนี่ยผู้นาผู้นผู้นำปรทุกผู้นำเนี่ยที่รู้วตัวเองอยากได้ใจประชาชนนั่นนะต้องไปหาประชาชนเรื่องไงในหลวงนี่ไงไม่ใช่ที่นี่ทุกกี่นะคุโมเว นายกเข้าร้านขายสะดวกนี่สเหนึ่งเนี้ยแล้วก็คิวยาวกว่าจะจ่ายตังเข้าคิวแล้วก็คนไปแล้วจนนายไม่ได้คิดการนะโอ้นายกเข้าคิวปะใช่ธรรมดาธรรมดาไม่ธรรมดานีดีาากว่าเออปิดร้านหลน า, นายคนเออนาจะได้เข้ามาซื้อของล่ะลองทําดูสิแต่แบบนี้ล่ะ แบบนี้มนะันนายกคนนี้เนี่ยวันหนึ่งวันใดจะไม่เป็นนายกกันนะเดินตามท้องถนนเนี่ยไม่มีใครมีอาฆาตกับเขาเลยแต่ถ้านายกที่อาธรรมชาวบ้านอ่าคิดจะปิดนะ่ะปิดร้านแล้วจะได้เขาไปชอบตามสบายเลยนะอ่านอนสิบโมไม่เป็นนายกแล้วอะ่ะนองสิเข้าห้างเนี่ยเขาปิดตีมแมวเลยปิดประตูตีมแมวเลยเอาซะบ้าง ยุคนึ้นความสูงส่งความอลังการนี่ก็คือความเย่อหยิ่งแต่พิสูจน์ด้วยเวล า, าแล้วเนี่ยการเล่ามพิสูจน์ไง <c oughs> ไม่ work, ไม่เวิร์กหรอกแล้วก็จริงด้วยจริงด้วยกุร <c oughs> อานนี่ <c oughs> จะเป็น คำวิทีปฏิรูปปฏิรูปสังคมปฏิรูปความคิดปฏิรูปแนวคิดไม่ต้องการให้เราประทับกันขณะแข่งขันกันประทับกันคือต้องตายไปสักสักข้างนึงสักส่วนหนึ่งมันจะได้จะได้เอาชนะเขาได้ต้องห้อนาไปสักสักส่วนหนึ่งจะได้รู้ว่าใครเป็นใครกูอ่านไม่เคยสอนแบบน ้ไม่เคยสอนที่จะเอาความจริงเอาความจริงนี่มามายิ่มมาแต่ ก, ก็ บ, บรรลต่อคนอืน่ขอให้เรานี่มีความจริงอยู่ในมือขอให้เราเนี่ยทำความดีจริงอะนะมันไม่ควรที่จะอ้อวดด้วยความจริงด้วยแข่งกันทำความดีนะ แข่งกันยินหยัดในความดีนะแต่ก็อย่าอุกอย่าออวดด้วยกันแข่งขันด้วยกันยินหยัดซะด้วยแล้วมันลึกซึ้งกว่าถึงผมรู้สึกนะครับว่า <c oughs> บางทีเวลาเราเราได้พูดถึงในหลวงราชการที่9เนี่ย กลบทุกคนที่เราเกลือบทุกคนที่เราสัมภาษณ์เขานะ่ะเกี่ยวกับเรื่องในหลวงเรื่องประทับใจนะ่ายเขาก็จะพูดเรื่องในหลงองกับสั่งพิมพ์กู้อา่อานความหมายกู้อ่านในหลวงให้เราปฏิบัติที่จริงในหลวงนี่ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีเพราะเขาชื่อเลมุสลิมินเบี <laughs> ว่ามนะ เขาไม่ได้เป็นคนดีเพราะเขาทำความดีกับมุสลิมอย่างเดียวเขาไมไ่เป็นคนดีเพราะเขาพิมพ์คุดอานอย่างเดียวเขาเนคนดีจริงที่ทำความดีจริงกับทุกคนทุกศาสนาแต่เรารู้สึกว่าเออว่าพอมันเกี่ยวกับเราเราว่าเอามาพูดแต่จริงเนี่ยเราก็มีความดีจากด้านอืนอ่นๆด้วยแต่เราไม่เคยพูด ชาวนามุสลมนมได้ประโยชน์มหาศาลจากโครงการต่างๆที่เรา่ไปทำโดยเฉพาะทางภาคใต้แต่สิ่งที่เราประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าการที่ในหลวงทำความดีกับมุสลิมเนี่ยมันกลายเป็นพระราชประเพณีที่สังคมไทยเนี่ยล่วงเกินหรือทำลายไม่ได้ถ้าระดับราชาระดับกษัตริย์เนี่ย ทำความนีกับมุสลิมนี่ไม่มีใครสามารถจะมาล้าหน้าในหลวงแล้วก็มามาข่มเห็นมุสลิมทําไมเพราะในหลวงนีทําเป็นทําเป็นประเพณีของประเทศไทยเนี่ยว่าต้องให้เห็นมุสลิมหน้าอย่าไปนคมเห็นเขาหน้าอย่าต้องรู้จักเข้าใจเขาหน้าอย่าอย่าบังคับให้เขาทํามำเนี่ยเนี่ยและคําสั่งของเขาแต่ละ น, นี้ก็กลายเป็นกลายเป็นกฎเกณฑ์นี่ก็เป็นกฎหมาย กฎหมายที่ทุกคนได้ยึด ป, ปฏิบัติชดยรัชการจะมีราชการบางคนนี่แหะสามารถเอาคําพูดของไอ้หลวงนี่มาอ้างกับเขาได้เขาก็ยอมสยบความความดีที่มันจะไปถึงทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่เฉพาะยุคนี้นะทุกยุคทุกสมัยหรวงนี่อ้างอีกสองสอง้อยปีสามร้อปีได้นะอะไรดีทําไม่ได้ก็อย่าทำนะเอาไปอ้างนะอีกสองรอปีเลยนะลูกหลานเรียนล้ว ความดีเนี่ยมันไม่ควรที่จะที่จะโอ้อวดอในหลวงเป็นคนดีเพราะพอทําความดีกับเราอะเพราะมันอยู่กับเราเหรอไม่ดีเราต้องกล้าที่จะพูดถึงความดีของคนอื่นถึงแม้ว่าไม่อยู่กัเราก็ตามเราจะได้ถือว่าเออลืมตัวเราไม่ใช่เราที่จะเป็นคนให้คะแนนในหลวงใช่ อ๋อเคานณให้คะแณเนี่ยพื่เราได้ไประโยชน์นะถ้าเราไม่ได้ไประโยชน์เราก็ไม่พูดใช่ไหมไม่เราให้คะแนนถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไประโยชน์จากเขากา็ได้ตนี้โดยหลักการโดยทั่วไปอิสลามมีมาว่าการตั้งภากีต่อหล่อเนี่ยเป็นชีริตการบูชาเจวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายที่สุดเห็นไหมแต่มาดูาาสิในอายะนี้อัลลอฮ์สอนว่าอย่างไรโดยนิดถึง س ي ن ل ي ع و ذ ا ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م ق ل ي ا ق و م ا ع م ل و ا ع ل ى م ك ا ن ت ك م ا ن ي ع ا م ل ق ل ي ا ق و م ا ع م ل و ا ع ل ى م ك ا ن ت ك م ا ن ي ع ا م ل ف س و ف ت ع ل م و ن م ن ت ك و ن ل ه ع ا ق ب ة ا ل د ا ر ا إ ن ه ل ا ي ف ل ح ا ل ظ ا ل م و ن ت و َ ع َّ د ْ ن َ ا อยา่าเข้ามีประชาชาติของฉันทั้งหลายอย่างนั้นดูจงปฏิบัติอะไรมา ก, ก่รัฐธรรมตามสภาพของพวกท่านเถิดจงปฏิบัติตามสภาพของพวกท่านาา พ, พวกท่านมีนนนอะไรที่พวกท่านนี่ทำอยู่กันเนี่ยและไม่ยอมเปลี่ยนแปลงกันเนี่ยและไม่ยอมเชื่อเนี่ยและเดือดรกับความจริงเนี่ยที่พวกท่าน ไม่ยอมพัฒนาตัวเองไม่ยอมพัฒนาความคิดไม่ยอมเปลี่ยนแปลงส้นหของตัวเองอยากจะอยู่นยอยากจะอยู่ก็กทําไปอันนี้มันเป็นขั้นสุดท้ายของการดาว์เชิญชวนขเขาแลว้วอะไรขเขาแล้วเขาไม่เอาอะแล้วจะเอาไงเอาจะเอาจะเอามำเอาเชือกมามัดเลยไม่เอาแ้วม่รู้อะไมกากันะที่ปฏิบัติตามที่บวก ตามสภาพที่พวกเจ้าปรารถนาอินนาะอามิลุมแต่เท่าฉันนี่นะแท้จริงฉันนี่นะที่จริงแว่าแต่ฉันน่ะนะอามิลุมอินนอามิลุมพวกเจ้าปฏิบัติตามสภาพที่พวกเจ้าต้องการอินนฉันก็จะปฏิบัติอินนอามิลุม แท้จริงฉันก็จะเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตามอะไรคือปฏิบัติตามสภาพของฉันนะคือพวกเจ้าปฏิบัติตามสภาพพวกเจ้าฉันก็จะปฏิบัติตามสภาพของฉันพวกเจ้าเลือกทางอะไรก็เชิญใ น, นส่วนไอ้กา้าวฟเฟอร์แมนแช่เฟไม่ใครประสงค์จะศรัทธาก็ะชิญ ใครประสงจะปฏิเสธศรัทธาค็เชนไม่มีบังคับการให้อิสระภาพกับทุกคนในการเลือกทางของตัวเองอันนี้เป็นวัานธรรมในอิสลามเป็นวัฒนธรรมเริ่มต้นดังจริมอคิดดาแลอิกราวฟิดดี มันทำเรื่องศาสนาไม่ได้จนถึงเรื่องอื่ น, น, นเป็นกิริยามารายาเป็นอิบาดาเป็นอะไรกนะ็ไดมาแล้วคนที่โตแล้วเนี่ยบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยบางคำก็ไม่ได้ต้องให้อิสระแก่เขาในการเลือกทางถ้าทุกคนจะต้องรับผิดชอบ ท่านเรียกมัศลมลัลลัมที่เราูป็นศาสนทูตเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการแจ้งคำสั่งสอนต่างๆนะแล้วเาบอกอินนามาอันตะมุนดิรุแท้จริงเจ้าเพียงเป็นผู้ตัดเพลินวลิคุล่ก้วมินาและกุ่มชนทุกกุ่มชนนีก็จะมีผู้ชีนนำผู้ให้ทางนะไหมครับืออัลลอฮ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 ไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับเขาแล้วเรามีเหรอแล้วเราจะมีหรอไ ม, ไม่ได้แต่ในการปล่อยให้คนอื่นทำตามสภาพไม่เอาความจริงใช่ไหยไม่เอาสัจธรรมใช่ไหมย่อมไม่รู้ปฏิบัติตามสภาพของโลกท่านอินทร์ไม่รู้ฉนันก็จะปฏิบัติตาม ในการปล่อยนี่นะมันมีสิ่งท้าทายในตัวฝัลแ้ ว, วดดและพวกท่านจะได้รู้ว่าใครกันมันปลายแห่งปาราโนกจะเป็นของเขาการปล่อยเขาเนะนี่ยตะแงก่นแต่สุดท้ายจะรู้เนี่ย ว่าที่ขยันกันทําในสภาพนี้กับคนที่ขยันกันแล้วใครที่จะประสบความสําเร็จบั่นไปแห่งบาราโลกอาคีบาตุดดาร์นียอาคีบานบั่นไปอัดาร์นียโลกแต่ที่นี้เขาตีความก็คือโลกหน้าปารโลกแต่ที่จริงเนี่ยอาคีบาตุดดาร์บั่นไปของโลกมันมีสองในอะบั่นไปของโลกในที่นี้ก็คือตอนปลายชีวิต ตอนผ่านอายุการล่เวลานี่ผ่านพ้นไปนานแล้วให้ี่สูด่ด้วยกันขนขวายของแต่ละฝ่ายเนี่ยใครที่จะประสบความสำเร็จอิมามอิมูมมกะซีนบอกว่าถ้าที่ความว่ามันไปของโลกนี้อัลลอฮุสซ า, า, าลาหมุนกระซิบกระซิบนี่มันก็ได้เห็นว่าที่เขาบังคับนบียำการกะิบแล้นบีไม่ยอมนบีก็เชญชวนเขา ศรัทธาเขาก็ไม่ยอมสนนุดท้าเนมีก็บอกว่าเอเ ม, าอมาานุอาราม مكان ที่กุมอยาเข้ามูคุณฉันองค์ฉันเอเมนุจะทำอะไรก็ทําไปเอ็นอยากมิลคนฉันดิฉันก็จะทําไปแล้วเดี๋ยวจะดูกันว่าใครจะประสบความสําเร็จบอกว่าไม่กี่ปีไม่กี่ปีนบีก็เชิญชวนประชาชนทั่วข้าบสมุนอลัลรัฮให้ศรัทธาในอัลลอฮ์คนสว่วนมากก็รับ มักกะที่เป็นเมืองหลวงแห่งการตั้งภากีอัลลอฮ์นี่ก็ถูกพิชิตปีที่แปดฮิจรัตสกุลัดและคาบสมุทอารับทั้งหมดเลยในชีวิตของท่านนบีนะก็กลายเป็นแผ่นดินที่ไม่มีชีริกเลยแสดงว่าการทีานบีปลให้พวกมุชีริกในอัจรธรมะกด้ทาไปส่วนชั้นนี้ได้ทำอะไรแต่ทำไปนบีทำไมอะนบีก็จะไม่ด่าว่านบีก็จะยืนหยัดในความดี นบีก็จะไม่หวั่นไหวว่าเห็นมุชริกินตังเขายุ่กว่ากองทัพเขามากกว่ า, วาความรูหราเขามากกว่าเขาแต่งตัวสวยกว่ า, บานาบีก็ยืนเดียของเขานาบีก็เผยแผ่สุคุณนะครับที่นบีเชื่อเป็นคุณนะครับแต่มันมีการแข่งขันในตัวและสุดท้ายทุกคนที่เขาเฝ้าระวังระวัง สองฝ่ายนี้นบีกับมุสลิมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยใครจะได้รับชัยชนะสุดท้ายนี้ใครรับชัยชนะอิบลุกะซิร์บอกว่าอัลลาฮห้นบีรับสหภาพได้เห็นในยุคของนบีในข้ามสมุรอาหรับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเนี่ยการเป็นแผ่นดินแห่งผู้ศรัทธาและหลังจากนบีเสียชีวิตสหภาพก็ในสานต่อและกระจายอิสลามไปทั่วโลกจนกระทั่งอิสลามได้กลายเป็นศาสนาที่มีอํานาจสูงสุดในโลกใบนี้ อน้ในชีวิตของสัฮาบะชีวิตของสัฮาบะนี่ก็เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้เห็นและยุคตี่เอยูน่ะสามร้อยปีแรกนี่อย่างที่เราได้บอกสามยุประเสริฐที่สุดที่ท่านเรยกว่ามีประเสรินนี้แล้วนะนี่คือยุคแห่งอาณาจักรอิสลามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์เลยอิสลาม ทุกทวีปเลยสว่วนมากของทุกทวีปศาสาอิสลามพวกกันก็จะรู้จะรู้อิสลามก็ไม่ได <c oughs> ้แข่งขันในการที <c oughs> ่จะมีอาณาจักรบกครองคนนี้ไม่ใช่เพราะการไี่พิสูจน์ว่า อะไรดีไม่ดีอะไรดีกว่าอะไรดีกว่าเนี่ยมันไม่ได้พิสูจน์ที่อำนาจการปกครองอย่างเดียวมีนพสูจที่อำนาจการทหารอย่างเดียวคนที่เคยมีอำนาจด้านการทหารมากในโลกนี้เป็นคนที่ถูกแช่งมากที่สุด ฮิตล์ในสงครามโลกครั้งที่สองฆ่าไปคนเดียวนี่1สิบกว่าล้านกษัตริย์ของเบลเยียมฆ่าในคนเดียวนี่สามสิบล้านคนแอฟริกาตอนที่เบลเยียมเนี่ยเป็นเป็นจกักรวรรดนินิมแล้วก็ไปยัดครองหลายประเทศในแอฟริกาแล้วก็ทำธุรกิจข้ามนุษย์ธุรกิจขายคนนะ่ะขายทาส่ะ แล้วก็เกณฑคนแอฟริกาโดยเฉพาจะาจากประเทศอแกนาและประเทศอื่นๆนั้นก็ยังมีมุสลิมอยู่<น>สุท้านของแอฟริกาหลายประเทศนีไม่ยอมช่วงนั้นในช่วงศตวรรษที่สิบเปประมาณพิศดารไม่ยอมก็เลยปฏิวัติกันสังหา<ม>รหมดเลยฆ่าไป 30, 30ล้านคนสตลินของโซเวียต ค่าเป็นสิบสิบล้านเหมือนกันของจีนละ่ะคนเป็นนักธิจีนเะนี่ยค่าเป็นสบสิบล้านเหมือนกันอำนาจการทหารนี่เขามีเ็เสร็จเลยนะค่าคนอยู่ค่าคนอูยังจะเป็นภยยัยิบยัติเลยยิ่งกว่าภัยิบัติอีกแล้วสุดท้ายนประวัติเขาเป็นยังไงคนพวกนี้ <c oughs> หมดแต่คนที่เขาปกครองด้วยคุณธรรมเขาไม่ต้องมีพันพวกเขาไม่ต้องมีลูกหลานที่เป็นตระกูลเขาไม่ต้องมีคนที่ยึดในอุดมการของเขาจะได้มายกย่องมาให้เกียรติประวัติศาสตร์ของเขาถ้าเขาเป็นคนดีนะ ุคไหนสมัยไหนที่มีคนดีเขาก็จะเอาประวัติแต่คนดีมาบอกมาเล้วอวุมารอับดุลอาซีเราไม่รู้จะนี่เมีลูกหลา น, อ, นอุนอมรขัตบตอบลูกหลานเขาอย่างก็มไม่รู้จะมีใครไม่พูดถึงอุมารุมุลขับตอบ้าผู้ที่คนดีในสังคมไม่ต้องควักตังไม่ต้องใจตังไม่ต้องมีน่ิยราชการมาพิมพ์หนังสือเ ข, ขาไม่ต้องหรอก ความดีขงเขาจะมีคนดีทุกยุคทุกสมัยเนี่สารต่อเผยแพร่ความดีขงเขาตลอดโดยที่ไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวแต่ก็ไม่ได้เกิดจากความเปล่าล่งนะความดีที่มันถูกสารทุกสมัยเนี่ยอันเป็นสภาพแทนงชัยชนะที่แท้จริงชัยชนะไม่าาาไมีอาณาจักรไม่มี อำนาจยึดครองประเทศนั้นไม่ใช่มีการกล่าวถึงในแง่ดีนี่คือชัยชนะนี่คือชัยชนะที่แท้จริงถ้าใชอิสลามมันเป็นชัยชนะไม่จําเป็นเสมอนะว่าอิสลามมันจะต้องมีรัฐต้องมีรัฐอิสลามต้องมีประเทศต้องมีกองทัพต้องมีไม่จําเป็นเสมอ หากมีอานาจเช่นนี้แล้วไ่อำนาจทหารอนาจการทหารอนาจอาวุธเช่นนี้แต่ไม่มีคุณธรรมที่จะนาหน้าการต่อสู้ด้วยอิสลามไปเลยจงบุฮาบานีไปพิชิตเมืองชามไพิชิตเมอะรก็แคปจซิอาแคปจซิ ที่ไหนนีกองทัพแม่ทัพในกเก็บภาษีชาวบนจะเกลียดมากเลยแต่ชาวบ้านเขาม่เก็บเหมือนเหมือนกองทัพเหมือนแม่ทัพในรุ่นก่อนมีหลัเกณฑ์ในอิสลามไปหาชาวนาเอา้าเก็บภาษีหน่อยจะเอาอะไรอะก็แล้วแต่มีของดีเราไม่เอามีของที่มันเลวๆ เ, เราไม่เอาเราเ อ, าเอาของปันกลาง แต่ก่อนเราเขาก็บภาษีกันอย่างนี้แหละของมีอยู่ไหนของนีเก็บของมีก่อนอันนี้ของแม่ทับอันนี้ขอะแล้วก็ดีนี้ก็อนเอใส่ในคังกางใช่ไหมคือเห็นกันอย่างนี้มาตลอดสมมติอิสลามมาเก็บซะการเก็บดีเซียนี่แบบนี้แต่ฉันไม่ไหวอ่ะไม่ไหวเพราม่เป็นลายเราไม่เก็บเอามีนี้ด้วย พอเก็บดิเซีแล้วนี่กองดิเซีแล้วก็มาใช้ในการบูรณะประเทศในการปกป้องชาวบ้านเขาเห็นผลไเปรากฏว่าเฮเรคลีสผู้นำของโรมันนี่พอเขาหนีไปจากชามาันแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรต่างๆนี่ก็ได้ทำกองทัพสองแสนคนทหารหนึ่งสองแสนนายแล้วก็มา มาบุจะเอาคืนแผ่นนีน้อีกทีปป่นึ่งสามาเข้ประเมินแม่ทัพเนี่ยอบอกไว้จะทำอะไรเป็นจราเข้ประมินแล้วโอโ้ไม่ไหวหลกสองแสนเสร็จแน่เราต้องถอยแล้วก็ไปตั้งหลักอีกที่หนึ่งที่นี่เนี่ยมันเป็นประเทศใหม่คนส่วนมากประชาชนส่วนมากเนี่ยไม่ใช่พวกเราเราต้องไปตั้งหลักที่อื่นก็ต้องถอยอ้าวแล้วก็จะทิ้งเขาเหรอ แล้วเงินที่เก็บแล้วอ่ะก็ต้องเอาเงินที่เคยเก็บเข้านังภาษีนี่นะไปคืนเขาอ บ, บูเบย์เดาก็เลยสั่งเงินที่เสีนสคืนหมดเลยเพราะเอาตังไปคืนนะ่ะนะพวกนอซา ร, รอนี่พวกคริสเนนะีะยเขาบอกอบวัาเราเนี่ยไม่ต้องคืนตังนี่ก็เก็บเอาไว้แล้วก็ช่วยปกป้องเราอย่างฮีนิกลิสกับมาปกขมเราไม่เอาคนอะเอาว่าคุณ แล้วพวกคุณต้องการคนมาสู้รบกับพวกคุณจะได้สู้รบในสิบบอกแล้วเราจะไปสู้รบกับพวกคุณคือแต่เขาไม่ไี้รักเลยเขาไม่พูดแบบนี้เลยเขาไม่เขาไม่เลือกแบบนี้นี่นี่เลือกนี่ประชาชนที่ปฏิเสธชัดเลยประชาชนเลือกพูดอะไมันเขาใจชัดเลยโดยที่ไม่ต้องหาเสียงไม่ต้องซื้อเสียงไม่ต้องเลี้ยงขโมง ن س ي ف و ح البلدان ل ل ب ل ا د o u i ننسي لاوطن ب ر و ا ب ي ش ي من د ر بن عبد العزيز ك ق ا ن الإسلام خ ل ب ب ر ق ي ش ي ا ًของการ ي ش ي ت من دنده ا ي كون ننحى ا ل إ س ا م أوكب بان เลย، مسيب بان เลย، สองไม่รับอิสลามเอาให้ใาจีเซียแล้วเราจะดูแลพวกคุณอย่างดีหนึ่งในการดูแลนี่ค่จีเซียนี่เขาไม่ต้องสูรบนะไม่ต้องเกณฑ์ทหารนะหน้าที่ของมุสลิมต้องปกป้องเขาเราจีเซียของเขาเนี่มาปูรณะไปให้พวกเขาด้วยและจ่ายจีเซียงเดียวไม่ใจยอย่างอื่นแล้วสถ้าไม่เอาจิซียจะไม่รับอิสลามมานะก็ต้องสูรบกัน ทีนี้แม่ทัพคนนี้น่ะพอไปสมัครกันเนี่ยแม่ทัพมุสลิมมานะบุกเลยไม่มีการเจรจาไม่ได้เมียพอบุกแล้วเจ้าเมืองนี่รู้ว่ากฎหมายอิสลามเนี่ยต้องเตือนเขาก่อนเขาก็ไปดีกาที่คาริบวาเลยขี่มาไปดีกาเลยบอกวนี่ฉันรู้ในว่ากฎหมายนี่แบบนี้เนี่ยแต่แมคทัพคอมเดนเนี่ยโอ้พระเจ้าชีส์คอมเดนนี่ยเขาบุกเมืองโดยที่ไม่ได้ ไม่ได้เจราจาไม่ได้ส่งคนมาพรามหาราชเลยเขียนหนังสือถ้าท่านได้รับหนังสือของฉันทันทีทันนั่นเลยนะให้ถอนกำลังทัพกำลังทหารของท่านทั้งบวงออกจากเมืองและเริ่มกระบวลกระมว ง, งานเจราจาตั้งแต่ต้นคือเขาไม่นึกว่ามันจะเจ้าเมืองที่เบดีการน่เขาเขาไม่นึกว่ามันจะเป็น แต่พอเห็นสนะับปีกอะไรอะ่ะถึงขั้นดิบออกออกเลยเหรอทำให้มันซ้าทำให้มันถูกต้องมุสลิมเข่งกันขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ทกคนเค่งแบบนี้เนี่ยเขาน่าจะมาปกครองเราไม่ดีกว่าก็กระบอกมาโอ้ายอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องออกอยู่ต่ออยู่ต่อดีกว่าจะหาคนแบบนี้เนี่ยมาปกครอง มายืนดิดาดนแบบนี้กันีไม่มีแล้วการยืนหยัดในความดีนะมันมีการแข่งขันท้าทายในตัวคนนี่ชีวิตของเขาเนี่ยอยู่กับความสะใจในการท้าทายคนอื่นเนี่ยที่จริงคนไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาไม่ต้องหรอกเพราะการที่เขายืนหยัดนี่นะมันเป็นการ เป็นการยืนยันพิสูจน์ว่าความดีต้องใช้นักสกวัสดิ์หนึ่งด้วยการยืนหยัดเขอยืนหยัดเขอยืนหยัดคนเแถวนี้แถวอัสสลามบึงกุมได้ไปเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยมารีนาและถูกแต่งตั้ง จากหนาวเดิมาดีนาที่มาใทุนนักศึกษาที่ไม่ไดยมาดีนา <c oughs> แต่งตั้งเป็นคนที่ไะสัมภษณ์แลนน่คะแนนประกาศว่าคนที่จะได้ทุนไปมาดีนาเนี่ยต้องไมไดีมาจากโรงเรียนหรือมี อุดมการฝักใฝ่ขวนไม่ครับไม่ให้ทุนยังก็เป็นทุนบิดาของท่านแลนะก <c oughs> ันนี้ยังสุภาพที่สุดแล้วนะยังก็เป็นทุนของบิดาของท่านเหรอ พูดคือด็กเตอร์ที่เขาเอาทุนมาจากมันเขายังไม่ได้พูดเลยไม่ต้องเดี๋ยวเนี้ทั้งกษัตริย์ทั้งมกุฎราชกุมารที่เขามีอะไรอค่ากับอีกวานอะนะไอ้เรื่องจริการศึกษาเราก็ยังไม่ได้พูดใช่ไหมเขามีปัญหากับอีควานนะจริงแต่เขายังไม่ยังไม่เขาไม่กล้าพูดเขายังไม่พูดเลยอะเจ้าของทุนน่ะนะเขายังไม่พูดเลยแล้วก็มีทําอย่างกับเป็นทุนของ พระบิดาของท่านอันนี้เพราะที่สุดแล้วนะ่ทนนะทำไมอ่ะก่อนก่อนที่ไม่มีเจ้านุ่นเนี้ยก่อนที่ไม่มีเจ้านี่ยจะเกิดมานะก่อนที่บิดาของเขาเนี่ยจะเกิดมานะ่ะอีควานเนี่ยเขาไปสู้ที่มัสยิดอัลซามี เขาส่งกองทัพหมื่นสองพนคนมีไปสู้กับอยู่แล้วบิดาของคนนี้ยังไม่เกิด น, นะดูคุณก็จะอยู่คุณก็จะมีชีวิตคุณก็จะเป็นคนในสังคมมีหน้ามีตานในสังคมแล้วก็ดูกันสิอย่ามาว่าอะไรมากิ น, นะธิกรมท่านจะทำก็ทำตามสภาพมนะันแล้วก็จะดูวไว้ขวานมันจะอยู่นานไหม จะอยู่นานกว่านี้ไหมอะไรกันมันอะไรกันในควานนี่ไม่ใช่เป็นกลุ่มที่เขาจะมาโอ้โอวดนะไม่ใช่เป็นกลุ่มที่จะมามามาเออมาแสดงคิดบัญชีจะมาอะไรนั่นมา เ, นะมเขาทำแบบนี้เนี้ยกลุ่มที่พู้นำของเขาตั้งแต่พู้นำสูงสุดเนี่ย ติดคุกอยู่ในขณะนี้นี่นี่เป็นเป็นอัตลักษณ์แข่งความสูงส่งเพราะในยุคที่ตกต่ำของไะวัอิสลามที่ทุกคนขายอุดมการขายศาสนาขายตัวขายทุกอย่างอะนะคนไม่ติดคุกต่างหากนี่แหละคือคนที่ไม่ยอมขายตัวอันนี้ต้องรู้เลยคือมันมันมันมั น, ม, นมันเป็นการการันตีเลยไอ้คนที่อยู่ขุมนอกต่างหากที่ต้องชังัะตัวม า, ม า, มาไหน เออเมื่อไห่จะโดนเมื่อไหร่จะถูกซื้อตัวเมื่อไห่จะถูกส่งตัวกันหนึ่งมาสองอย่างนึกทั้งอย่างสักอย่างหนึ่งซื้อตัวหรือส่งตัวแต่คนอย่างที่มาเออจะมามีไม่รู้จักศัตรูนอกจากอิควานนะฮะไม่รู้จักศัตรูใครในโลกนี้นอกจากอิควานอย่างเดียว ไปไหนนั่นก็ไปคุยกับ อ, อีกวานยูเยนี้เาจะเอามัสมสิดอักซอลแล้วเราจะยิดแล้วฮะสตูดิ ส, สกําลังทําอะไรทุ่งเรกากลังทําไรอิสราเป็นไงนี่ปรากฏว่าอเมริกาม่ใช่แล้วซาอุดีมัช่มันมีคิดตัวหนึ่งคิดอันหนึ่งคือมันไม่เห็นเลยวะคือมุกตีของซาอุดีอยู่ในรายการตอบคำถามก็มีคนส่งคำถามมา ไม่รู้เขาถามจริงหประชดที่ผมเล่า เ, เองนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยวันหนึ่งเขาเคยบริจาคให้ฮามาสบริจาคให้ฮามาสในการปกป้องอักซ่าปกป้องอะไรนี่ก็เคยบริจาคให้แต่เขามารู้แล้วนี่ว่าฮามาสเนี่ยคือไม่ดีไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยแล้วเขาจะเตาบัดตัวจะ ทำยังไงที่เขาบรกอยากให้มาสินะ่ะเขารู้วาฮามาสิเป็นกลุ่มหลงน่ะเขาอยากจะเต้าบัตตัวจะทำยังไงอะ่ะเขาทำดีไหมที่เขาเนยทีก็ไม่รู้กค่ก็ฟังผิดเรืยองไงก็ไม่รู้แค่ก็บอกว่า ก็ดีแล้วล่ะอย่าไปบริจาคเพราะยังไงประเทศอิสราเอลก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านผู้นาก็เป็นเป็นมุสลิมของเราเป็นอะไรโอ้คนที่มาคอมเมนต์นี่คือคนสน่วนมากเขาบอกว่าเขาอาจจะฟังผิดหรือพลาด อ, อะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่เมื่เห็นไอ้ของแบบนี้นะนะมันไม่อาจจะพ ผ, ผู้ถามก็ดูถาม เ, เพื่อนๆเลยนะมแล้วคนที่ตามนี่ กตอบแปลกๆแต่้าทุกอย่างนี่มันกระจ่างมันชัดเนยฮามาสเนี่ยมีกลุ่มเดียวในโลกนี้่สู้กันอยู่กลุ่มเดียวแหะไม่ไม่มีไม่มีกลุ่มอื่นไม่เคยมีด้วยกลุ่มเดียวที่กลังต่อสู้มจาฮิกลังต่อสู้จากะดษของเดนนบีที่บอกว่าลเจซาุตอิบะตุนอุมมัดิซ่ฮิรินกลุ่มชนหนึ่งในประชามที่จะอยู่กับความจริงเสมอ قاتلون عدو الله خود تأصوص ترون الله لا ترون مخاومي صن جوا خيجم ا خ د ي ن ا خاو صحابة كنتمهم فهمين ماي ه و في أكنة في بيت المقدس يوراب راب من أقصى م يورازلم مي ماي مي كون ماي ذي ل ن ت ص و كيرو راب, راب. من أقصى من أ ق ص ك م ن ي ل ك م ي ไม่ใช่บง ار, ังเอิญกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอิหร า, านห้ามสิครับโลกนี้มีไห น, น, นรัฐ บ, บาลที่ไม่ได้เป็นขี้ข้าของเของเมริกาแล้วรัฐบาลโลกมุสลิม น, นมมมี่ที่ไหนอ่ะมีไหมไม่มีแถบทุกรัฐบาลเป็นขี้ข้าของอเมริกาเลนรัฐบาลเรานี้แถบทุกรัฐบาลนก็เกียย คิดในไอควานคนนี่รักอเมริกาและวิ่งไอหายูจะได้ทำความสัมพันธ์กับเขาแล้วก็ตัดความสัมพันธ์กับอีควันมันไม่ต้องมีตะ ก, กะอะไรที่มันซับซ้อนนะ่ะนะมันชัดเจนเลยอะ่ะไอคนที่ชอบอเมริกาชอบยูไม่ชอบอะไนระก็คืออยากมีความสัมพันธ์ดีๆเขาแต่ตัดความสัมพันธ์ กับผู้สรัทธาที่กำลังต่อสู้กับศัตรูนะไม่ต้องสงสัยเลยว่ากลุ่มนี้เป็นยังไงล่าสุดนี้มีผู้นำประเทศมุสลิมใหญ่โตประเทศหนึ่งบอกว่าเขากำลังจะสร้างเมืองใหญ่มากเมืองใหม่แต่พื้นที่ซีนยระหว่างจอร์แดนซาอุดีและก็อียปพื้นที่นี้มีมีเนื้อที่ประมาณ 2องหมื่นหพันไม่ใช่6กหมืนตารางกิโลเมตร6กหมืนตารางกิโลเมตรนี่เขาบอกว่าเท่ากับประเทศกะตา้าหกเท่าประเทศกะต้าเนี่ยหกประเทศกะตา้าใช้รูปประมาณในการสร้างมั้ยนี้ 5้าแสนล้านดอลลาร์เขาบอกว่าผู้นาประเทศเขาบอกว่าเมืองนี้จะเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมใหม่ทุกเรื่อแม้กระทึงในระบบ ก, การปกครองก็จะเป็นปกครองวิสีไม่เหมือนเอ้ยมีตำรวจศาสนามาไล่ให้ละหมาดให้ปิดเวลาละหมาดเนี่ เขาเลยถูกจี้ถามเลยแล้วมีเหล้าไหมไม่มีเหล้าใครอยากจะกินเหล้าไปอีกไปสักวันนี้จะเป็นเมืองที่เปิดเปิดกับทุกศาสนาทุกลทัทธิผมนี่ก็เลยขออนุญาตองเล็บเปิดกับทุกศาสนาทุกลทัทธิทําได้ทุกอย่างมาเลยชมทำงานเผยแผ่มาพูดคุยกั น, นกเรื่องความขัดแยง้งเรื่องศาสนาเรื่องลัทธิคุยกันหมดเลย ผมก็เลยลงเล่นฮิวโนอิควานอิควานจับเข้าคู่หมดแล้วก็ไม่ให้ทุนด้วยฉะนั้นผมเลยทำไปถาไจะทำไปถไรก็จะทำไปถ้าไม่รู้จะทำอปถ้าไม่รู้จะทำไปถ้าม่ร้จทำไปถ้าไม่รู้จะทำ้ามจะไม่ได้รับความสําเร็จ อัลแรกเนี่อัลลอ์ได้บอกว่าอย่ากาวมีอู่ภาชาชาติของฉันมียอะนะภาชาชาติของนบียนะก็มีที่เป็นกาเฟ่ที่ปฏิเสธและมีที่มันคาเฟลวเป็นปาษาละเบียไง่ะก็บอกแล้วหลายครั้งว่าอุมะนบีมีมีสองอุหมะอุมมะทุก د ว و ة และอุมะดุกอิจาบะ อุ mma อิจ ابة ภาษา ช, าชาติหรืรับบู้อิสลามแล้วก็รับอิสลามนี่อุมอ ม, อาาอ ม, อมาาุอิสลามยังอุมม์ทูลอิจ ابة เขาตอบรับแล้วก็มีอุมม์มุทุกดาว่าเป็นปลายอิสลามก็คือคนนี้รับรู้เรื่องอิสลามและไม่ได้ตอบรับอันนี้ก็เป็นอุมม์นาบีแต่ว่าอุมม์มุทุกดาว่าอยู่ระหว่างการเผยแผ่อยูย่ระหว่างการนําเสนอก็เป็นปลายอ น, นาบีเพราะนี้จเรียกโอุปภาษาชาติของฉันทั้งหลาย รวมทั so, so, been, ้งอุมะอิจาราลกอุหมะดวะทั้งสองแต่สำหรับคนที่ตั้งตัวแข่งขันในการยินแยงในเรื่องความชั่วและปล่อยให้นบีเนี่ยแข่งขันแล้วก็ยินแยงไม่ดงความถูกต้องและไม่สนองตอบรับหรือไปช่วยเลยท่านละวิสันลลอลยัตอนท้ายอนีอมรอินนุลฟิุซลิม เรียกเขาว่าเป็นผู้อธรรมแสดงว่าจุลนันนอธรรมไม่ใช่หมายถึงว่าคนเห็นคนอืน่งเดียวอาาวัลลอฮฺก็ได้เรียกการตั้งพากีในชีริกใ น, นดุงจุินใะชิริกลราด้วมุนอาอีมเป็นการอธรรมอลมุลามส่วนมากนะครับขอธิบายว่าทำยังไงเขาบอกว่าเพราะคนม่ทาความสัว่าทําชิริกเนี่ยารมตัวเอง อาธรรมตัวเองทําสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับนําตัวไปสู่การทุกข์ทรมานการลงทั่วลงก็ต้องอาธรรตัวเองส่วนมากุลมะก็อธิบายแบบเนี้ยแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่อธรรม น, นี่มันกว้างกว่าคนที่ยินหยัดยินยันในความชั่วเนี่ย เขากำลังอธรรมคนอื่นกำลังข่มเหงคนอื่นกำลังทำร้ายสังคมมนุษย์ของตัวเองด้วยเพราะทุกคนดียิมหยั่มีความชั่วในเรื่องชีวิตในเรื่องความไม่ถูกต้องนนะเท่ากับชะลอโอกาสที่จะให้ความดีความถูกต้องเนี่ยถึงคนอื่นเสียหายไหมเสียหายเขากำลังชุ่บคนอื่น ถึงกับบอกว่ทุกคนไม่เส้นอะฉันอยากจะกินเล้าว่ะใครยามายิ่งกันจัดมีเสียงบอกว่าเหล้าก็เสียดีนเปิดเสียดีด้วยยาเสพติดเคยมีเขียนบดความทำเหมือนคนแลนเลยให้ขายยาบ้าีิเนี่ยของถมในขายยาบ้าไปเลยตามตามซอยขายไม่ผิดกฎหมายเลยแล้วดูสิชาวบ้านยังไง ที่จริงมันก็เป็นต ก, กะที่เข้าท่านะเพราะขายเหล้าในตามร้านขายสะดวกในร้านร้านเซเว่นี่ขายเหล้าขายบุหรี่ถูกกฎหมายขายไปเลยเหรบ้าขายไปเลยไม่ผิดกฎหมายมันก็ตะ ก, กะเข้าทา่าทําไมอันนี้มันมีกฎหมายทำไมนั่นไม่ผิกฎหมายทําไมห้ามก็ห้ามไหมดเลยแต่นี่ใบ มันไม่ได้อยาบ้านไม่กิน่าตห้กินเหล้าให้กินไหนสุบุรีคนไม่กินเหล้ามีความมัธยฐานสังคมฉันกินเหล้าให้อยุดกินเหล้ามันมันมันผิดศีลแต่ไม่มีกฎหมายกฎหมายไงแล้วจะกินลนะเขายินหยัดในความชั่วอ๋อปล่อยเขาเขาสู่ลมตัวเองเพราะวันเกียมาดอรแล้วก็จะลงทุนข่าวไม่ใช่เขากําลังสุ่ลมสังคมด้วยเขากำลังอาธรรสังคมด้วย ด้วยการเอาความชั่วเนี่ยให้มีพื้นที่มีอิทธิพลในสังคมใช่ไม่ใช่มีอิทธิพลมีบรารมีร้านไหนร้านอาหารไหนอยากจะขายดีก็ให้มีโฆษณาว่าร้านนี้มีเหล่าแต่เขาไม่ได้พูดว่าร้านนีมีเหล่าว่าน้าใหม่เาก็เขาก็ากทำ ไปไฟอย่างดีเลยนะแล้วก hey, ็ย่หอเล่าเพราะทุกร้านนี่ยเอยากจะได้ลูกค้ายนก็ติดข้างนอกเลยนี่มีขายโน่นเนี่ติดแค่โลโก้ของโลโก้ยหอเหล่าต่างๆติดโลโก้เพราะมันเป็นอิทธิพลคนที่กินเล่าในสังคมมมีอิทธิพลอาจจะไม่ได้เป็นชมรมไม่ได้เป็นเครือข่ายแมแต่เขามีอิทธิพลในสังคม ลูกค้าที่ชอบกินอาหารแล้วก็กินเหล้าแล้วอะนะคือประชาชนส่วนมากร้านส่วนมากก็ต้องสนองความต้องการของประชาชนส่วนมากเหมือนไม่มีอิสระแล้วนะไม่ใช่พอทำความช่วยแล้วก็ยืนอยัด ก, กันแบะเนออกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้ออย่างเงี้ยอิทธิพลก็ต้องก บ, บันทอนความดี โอกาสที่จะให้รุ่นหลังรุ่นลูกหลานของเราเนี่ยไม่กินเหาเลิกสิ่งเสพติดต่างๆโอกาสนี้มันจะน้อยลงน้อยลงโอะุลรเนี่ยเลกบุรีนี่ตอมคนมสุบบุรีเนี่ยสูทุกี่ไปนามบินจินดานะทําอรเสร็จแล้วแล้วก็จะรยฮัจะไม่ได้แล้วก็จะกลับมาประเทศไทยสนามบินจินดานี่ก็มี ที่สุบรีห้องผมเรียกว่าห้องแมโครเวฟห้องสุบรีแล้วก็ห้องใหญ่นะอหญ่ที่เขานั่งกินอาหารกันแล้วท้องสุบรีเล็กๆเนี่ยแต่พอข้าห้องใหญ่นี่ผมไม่กินบุรีจาห้องใหญ่เลยเฮ้ยมันบินว่ะเหม็นอะไรเนี่ยมันบุรีพอหัดไปดูเนี่ยไอห้องสุบรีเนี่ยเขาเปิดเขาเปิดประตู ไม่เป็นไรคิดในแง่ดีตลอดนะครับก็คงลืมปิดเขาคงลืมปิดนะ่ะผมก็เลยอาสานะครับด้วยความสมัครสปิรนะิตน่ะผมก็เลยเดินไปช่วยปิดปิดประตูให้เขาเขาคงลืมปิดอนะแล้วกลับมานั่งแลกลับมานั่งแล้วแล้วก็หันมาดูก็ปรว่าไอคนที่สูงอะไรนี่ก็มาเปิดทำยังไงดีไม่เส่เหวงา เขาสูบุรีกันจนควันมันยุดเขาไม่ไหวอ่ะเขาเลยต้องเปิดประตูให้ระบายอ่ะให้คนนี้ไม่สูบุรีในี่ปรสู่กับพวกเราด้วยทำไมงไงอ่ะช่วงที่แบบปะะทักเนี่ยเป็นช่วงที่แบบอ้ใจมันตะตุ๊บๆๆ๊บตุ๊่นาทยไงดีก็ต้องใช้มุกมุก เนเียนหน่อยก็เลยไปขออนุญาตนะครับเพราะควันนี้มันออกทีนู่นออกครับครับครับปิดควันนี่มันถึงที่นู่นแล้วก็ไม่ไหวนะครับก็ก็ก็รับไปนะไม่นีแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีคนที่กล้าไปอย่างเนี้ยก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมีคนเขายินแย่อย่นี้มีคนยินแย่กู้จะสูบ่ะ แล้วไม่สู่คนเดียวนะกูที่สูงแล้วก็มึงไม่สูงกับกูด้วยนะมีคนไปหาหมอหมอบอกว่าคนไข้มีสูบบุหรี่หรือเปล่าป้าไม่สูบไม่เคยสูบเลยนทำไมอ่ะพราะคุณไข่ไอ้อาการะอะไรต่างๆอาการคนสูบอนี่ผมไม่สูบก้เ ย, ย็นเงเอาถามคุณไข่หน่อยคับ คุสูบุรีหมันสพี่ชาสูบัสงชาสบแล้วคนน้าสูบสูก็คุณไข่นเหมือนเป็นคนสูบุรีนี่แหละไม่ต่างอะไรเลยไม่ต่างอะไรเลยแน่นอนนั่นกอายอยสูบุรีเขาไม่ชอบสบุรีอยสูบุรี่ทงก็เกงใจอายถ้าจะลุกขึ้นทไมเวลา กินเม็นอะไรก็ไมกล้พูดเขาก็ต้มนั่งสูบสูบเสร็จแล้วมันจะไปดูทีวีอาน้องชายมาเนีเ่ดูบอลสูบไปด้วยเขาก็ต้องเขาก็ต้องมะ อ, อ, อะไรพราะอยกดูบอลไงเลือกดูบอลเพียงจะได้กินบุหรี่ออกไปไปตลาดไปห้างนั่งรถเพื่อนสูบุหรี่เฮ้ ทิบุรีอ่ะมึงลงไปเลยเลยมึงลงไปเลยไปนั่งรถมีไปละก็ต้องทนสุบุรีชอีที่นนี้ย่แต่ถ้าหากว่าคนนี้ไ่สุบุรีสุบุรีผมไม่อยู่นะเออวิ่งกับมีหงกไปทุกคนถ้ไม่ดีไ่สุบุรีเนี่ยยาบไหนะยยหนะขาว่าจะถอยสการดนี่แหละเรียกร้องก็แล้วนี ปฏิบัติตามสภาพแต่ฉันก็ขอปฏิบัติตามสภาพเหมือนกันแล้วขอยินยอมตามสภาพของฉันบ้างยินยอมกันสิประศุประตาละมุนวันมึนก็นจะรู้มาตะกอนนู้น่ะคนส่วนมากสุ บ, บุรีและคนที่เป็นสุ บ, บุรีต้องหาห้องไม่รวยต้องหาห้องที่ไม่มีคนสุ บ, บุรีใช่ไหะแต่คนเขายินยอมไง ขนต่อสู้กันสุดท้ายคนที่สุบุรีเนี่ยทูกเบียดทุบเบียดทุบเบียดต้องไปอยู่ห้องมันเล่นทุกอย่างนี้ที่เรเห็นนะครับถ้าคุณธรรมนี่ยิ่งหยาดกับไข่คุณธรรมนี่มันเป็นที่สดีคุณธรรจะไม่เกิดขึ้นไ้า็ไมมีคนเอาคุณธรรมนี่มาปฏิบัติให้ปรากฏเป็นรูปธรรมคนนี่ยต้องยิ่งหยาดในคุณธรรมความถูกต้องแล้ววันหนึ่งทุกคนก็จะรู้ว่าเขาได้เสียโอกาสแค่ไหนในการ ความดีไม่ให้ปรากฏในสังคมคฝเพียงแค่นี้นะครับว่าุลลัลลอฮละา m وآل عليه ص ا ة و ل س ل ا م عليه